เรื่องพระละกุนตกะพัทิยะเทระพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระเทระชื่อลกุนตกะพัทิยะความพิสดารว่าวันหนึ่งพระอคันตุกะหลายรูปเข้าไปเฝ้าพระศัสดาขณะนั้นพระละกุนตกะเดินผ่านไปในที่ไม่ไกลภิกษุทั้งหลายต่างแลดูหน้ากันและกันแล้ว พระศัสดาทรงทราบวาราจิตของภิกษุเหล่านั้นจึงตรัสว่าพวกเธอเห็นหรือไม่พระเทระนีเป็นผู้ฆ่ามารดาบิดาแล้วไม่ทุกภิกษุทั้งหลายสงสัยจึงกราบทูลถามพระศัสดาตรัสว่าบุคคลใดฆ่ามารดาบิดาฆ่าพระราชาทั้งสองฆ่าแว่นแขวนร้องพนักงานเก็บสวย ชื่อว่าเป็นพราหมย่อมไม่ทุกข์อธิบายว่าตันหาชื่อว่ามารดามานะหรืออสมีมานะการถือตัวว่าเป็นเราชื่อว่าเป็นบิดาพระราชาทั้งสองชื่อว่ามิจฉาทิฏฐิทั้งสองได้แก่สัตสตตทิฏฐิความเห็นว่าตายแล้วเที่ยงและอุเฉทัตทิฏฐิ ความเห็นว่าตายแล้วศูนย์แว่นแควนชื่อว่ากว้างขวางดุดความยินดีที่เกิดขึ้นจากอายตนะทั้งหลายดุดพนักงานเก็บสวยเกิดกำนัดด้วยอำนาจของความยินดีจัดการสวยให้สำเร็จแม้พระคถาที่สองเรื่องเหมือนกันกันกบพระคถาแรกแต่ทรงยกการฆ่าหมวดห้าแห่งนิวร์ ได้แก่เรื่องการพยาบาทวิจิกิจชาทีนัมิทาอุทธจักขุกุจจะเปรียบดังว่าไม่เดินไปในหนทางที่เสือโครงเที่ยวไปในที่ห้าแห่งเพราะมีภัยรอบด้านเดินไปลาบากชื่อว่าทางที่เสือโครงเที่ยวไปพระสัสดาทรงเป็นธรรมราชาทรงฉลาดในวิธีเทศนา ในการจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นดำรงอยู่ในอรหัตผลแล้ว